ต่อไปขึ้นข้อ3ดูนะสัตตมีวิพัฒ์ในอัตนิถทางรณนะคำว่านิถทางรณนะแปลตามตัวว่าถอนขึ้นถอนถอนขึ้นเช่นถอนต้นไม้ถอนหญ้าถอนคนถอนงอกถอนมั่นมีตัางเยอะท้งแยะถอนแปลสัตตมีวิพัตน์ ว, ว่าบรรดาหรือในบรรดา ดูตัวอย่างข้อ1มนุษย์เสสุขติโยสูระตัโมมนุษย์เสสุเป็นสัตตมีวิพัตมนุษยเราแปลได้แล้วว่าแปลว่ามนุษย์เสสุก็คือสุสัตตมีวิพัตเราแปลว่าบรรดาหรือในบรรดารวมกันว่ามนุษย์เสสุในบรรดามนุษย์ทั้งหลายพระหูพ์ด้วย มนุษย์เสสุ Justin, ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายถ้าไม่ในก็บรรดามนุษย์ทั้งหลายคัติโยกษัตริย์คติโยแปลว่ากษัตริย์พระราชาสูงระแปลว่ากล้าตะโมแปลว่าที่สุดสูงระตะโมกล้าหานที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหลายกษัตริย์กล้าหานที่สุดหรือเราจะบอกว่ากษัตริย์ กล้าหาญที่สุดในบรรดามนุษย์หมายถึงว่าถ้าเป็นกษัตริย์เราต้องกล้าถ้ากษัตริย์ไม่กล้านาบ้านเมืองให้พ้นจากค่าศึกศัตรูไม่ได้มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยกษัตริย์เนี่ยถือว่ากล้าหาญที่สุดต่อไปข้อ2อกันหาแปลว่าดาแปลว่าดาแปลว่าสีดำแปลว่าตัวสีดำ คาวีสุคาวีแปลว่าโคตัวเมียแต่ท่านแปลว่าแม่โคสุแปลว่าในบรรดาคาวีสุในบรรดาแม่โคทั้งหลายสัมปันนะขีงระตะมาสัมปั น, นะแปลว่าสมบูรณ์ขีงระแปลว่ามีน้ํานมตะมาแปลว่าที่สุดสัมปันนะ ขิงระตามามีน้ำนมสมบูรณ์ที่สุดเราแปลว่าอย่างนี้คาวีสุในบรรดาแม่โคทั้งหลายกันหาแม่โคตัวสีดำสัมปั น, นะขิงระตามามีน้ำนมสมบูรณ์ที่สุดบรรดาแม่โคนมทุกพันุ์ทุกสี แม่โคตัวไหนมีสีดำแม่โคตัวนั้นมีน้ำนมมากที่สุดขิงระขิงละแปลว่าน้ำนมแปลว่านมสดก็เนี่ยครับบาลีเขาว่าไว้อย่างนั้นผมก็ไม่เคยทำฟาร์มนมโคโคนมสักทีดำปอดเลยนะไม่ใช่ดำด่างๆนะต่อไปข้อสาม อธิเกสุทาวันโตสีคัตโมอธิกะแปลว่าคนเดินทางไกลอัทะแปลว่าทางไกลอิกะแปลว่าผู้ไปผู้ประกอบอกะฮะอัทะแปลว่าทางไกลอัทธะนะแปลว่าทางไกลอิกะแปลว่าผู้อยู่ผู้ประกอบผู้เป็นไป อธิแกจึงแปลว่าผู้อยู่ในทางไกลหรือผู้ประกอบในทางไกลนั่นหมายถึงนักเดินทางคนเดินทางไกล ส, ส่วนสุเป็นสัตตมีวิพัตอธิแกสุในบรรดาผู้เดินทางไกลทั้งหลายทาวันโตแปลว่าผู้วิ่งไปผู้วิ่งไป สีฆะตะโมสีฆะแปลว่าเร็วตะโมแปลว่าที่สุดสีฆตะโมเร็วที่สุดบรรดาคนเดินทางเนี่ยนะถ้าใครวิ่งอ่ะเป็นคนเร็วที่สุดส่วนคนเดินก็ไม่เร็วอ่าทั้งหลายก็เดินเดินไปด้วยกันนะ่ะใครวิ่งถึงก่อน mm hmm. เคยไม่เคยเดินทางไกลไหม mm hmm. เคยเดินทางไกลไกลเท่าไหร่ ไปที่สุดที่เดินมาในหนึ่งชีวิตเนี่ยไม่ใช่นั่งรถนะเดินเช่นไปเที่ยวอุทยานเดินประมาณสักสามกิโลเมตรได้มั้ง่าเดินเดินขึ้นภูกระดึงเหรอขึ้นภูกระดึงประมาณสี่เดินเดินเลยเหรอเดินตังแต่ต้นจนถุงเลยเหรอโอ้ถ้าถ้าเดินตั้งแต่จุดนี้ก็ประมาณ6กิโลกว่าหกกิโลใช่ ใครเดินไกลกว่านี้ใครเดินไกลกว่านี้ตมาใครเดินไกลที่สุดนนในชีวิตนะจากวัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดถึงสามเหลี่ยมทองคํจาจังหวัดเชียงรายนนเชียงแสนเชียงายราย<พ>ประมาณสักหกร้อยกว่ากิโลได้หกร้อยกว่ากิโล<ร>าสามเดือนกว่า<ร> อ๋อต้องพักอยู่แล้วเพราะตั้งสามเดือนค <c oughs> ่ำไหนนอนนั่น <c oughs> อ๋อเอาอย่างนั้นเลยถ้าเดินทางไกลที่สุดถ้าในหนึ่งวันนะเดินสามสิบสามกิโลเดินช่วงเดียวเลยเนี่ยนะสามสิบสามกิโลหนึ่งวันหนึ่งครั้งที่ไม่หยุดพักเนี่ยนะเดินอย่างเดียวเลยลว้ลวนเลยสามสิสามกิโลไม่นั่งไม่พักเลย ก็ประมาณประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงได้ส1บอ็ดชั่วโมงไม่เรียบเลยขึ้นเ ด, ดินลัดทุ่งขึ้นเขาลงห้วยไปเรื่อยไปบางที่ไม่มีที่ข้ามสะพานนะต้องถอดผ้าถอดเอาบาตั้งหัวแล้วก็ลยุยว่ายน้ำข้ามเพราะมันไม่มีสะพาน ถามเขาว่าไม่มีสะพานข้ามหรอเขาบอกมีตมีต้องโน้ตไปอีกสี่กิโล <laughs> โอ้ยสี่กิโลข้ามตรงนี้ดีกว่าแม่น้ำประมาณสัก5้าสิบห้าสิบเมตรได้ลึกอะลึกเท้าอย่างไม่ถึงลึกเท่าไหร่ไม่รู้ <laughs> ว่ายข้ามไปถือโอกาสส่งน้ำเสร็จเรียบร้อย <laughs> เดินไกลสุดสามสิบสามกิโล <laughs> ชันเสร็จแล้วค่อยเดิน ไปไปถึงประมาณเกือบทุ่มหนึ่งอะ่ะจริงๆไม่ถึงปลายทางหรอกนะแต่ว่ามันมันไปไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วก็เลยหาที่พักพอมันมืดแล้วรูปเดียวครับรูปเดียวครับช่วงสายสามกิโลเนี่ยจะอยู่ระหว่างโคราชไปชายภูมิโคราชไปชายภูมิองเดียวคือเดินไปแล้วเนี่ยถามเขานะถามเขา ที่ี่ถามเขาเนี่ยเขาบอกเส้นทางรถแต่เราก็คํานวณเอาทางเท้าเพราะเขาบอกว่าทางรถเนี่ยมันตั้ง48กิโลเขาบอกบ้านเนี้ยไปไปบ้านที่ท่านเดินมาเนี่ย48กิโลทางรถนะแต่เราก็เลยคํานวณเราเดินลัดมาเนี่ยมันก็เลยบอกกล่กาวว่าประมาณ33กิโลได้แล้วเราก็เพราะมันไม่มีเป้าหมายไม่รู้จะหลงไปไหนมันไม่มี ป, ปามลไปไ <laughs> ปายทางไม่รู้จะหลงไปไห น, ห น, นไ <laughs> อ๋อเคยเคยเคย ที่เล่าให้ฟังเขาก่อนอ่ะที่ไปหลงอยู่หน้าผาแดงที่หาทางลงไม่ได้อ่ะที่อดข้าวอดข้าวสองสามวันอ่ะกองเดีย ว, อยวโอ้ยเคยเล่าแล้ว เ, เคไอ้สากแก้วนี่โดนยิง <laughs> สากแก้วนี่โดนยิง <laughs> อัตมาไม่เคยรู้จักชื่อมันหรอกพอดีลงไปถึงบ้านโยงแล้วไปถามเขาไอ้หน้าผาตรงเนี้ย เขาเรียกว่าหน้าผาแดงอยู่ระหว่างอำเภอวังสะพุงมังจังหวัดเลยเนี่ยจะไปลงลมสัเส้นทางเนี่ยก็ไปติดอยู่บนภูเขาเนี่ยสองสามวันได้อะไม่ได้ฉันอะไรเลยเราก็เคยได้ยินว่าพระธุดงคเขาบอกว่าบินทบาดกับลุกขาเทวดาไปบินตรงไหนไม่มีเลยอธิฐานเลยเหมือนกันนะ ถ้าลูกขาเทวดาอยู่บริเวณนี้อยากจะทำบุญกับพระตกทุกข์ได้ยากข <g rab> อกให้จำแรงร่างออกมาปรากฏใส่บาทให้หน่อยเลยไม่เห็นมีเลย <c oughs> ไม่ได้ฉันอะไรเลยฉันแต่น้ำ <c oughs> น้ำก็ตาําจะถือกระติกกระติกเหมือนกระติกทหารของเก่านะแต่มันเป็นพลาสติกซื้อเอาใบละสิบปดบาท <c oughs> สภาย <c oughs> เหน็บใส่สายประคตไป <c oughs> ลืมแต่น้ำอย่างเดียวเลย จนเดินในขาสั่นติ๊กติ๊กติ๊กต ก, กเลยเหนื่อซึมทั้งตัววิววิวหิวไปติดอยู่หน้าผาบางบางเอิญว่าเราก็เคยอยู่ป่ามาก่อนพยายามดูนะเพราะว่าคนโบราณเขาก็ถือแม้จะไม่เชื่อแต่ก็พยายามดูว่าเขาเรียกว่าเครือเขาหลงถ้าไปเดินขํามเครือไม้ชนิดเนี้มันจะทําให้หลงของเขาจริงมันอาจจะมีพิษอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้เรามึนงงจนไม่รู้ทิศไหนเป็นทิศไหนอะไรอย่างเนี้นะ ก็พยายามดูแต่ว่าแล้วก็กําหนดได้ชัดดีอยู่ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนเพราะว่าเอเข้าดงป่าดงดิบแถวนั้นเป็นป่าดงดิบนะบางที่เนี่ยน่เชื่อไหมว่าไม่สามารถจะเดินผาได้เลยมันมันมันมันไม่ใช่ไม่มีทางอย่างเดียวถ้าป่าดงดิบจริงจริงแล้วข้างล่างมันจะโปร่งนะมันจะเดินง่ายแต่อันนี้มันทั้งต้นไม้เตี้ยทั้งเถาวันทั้งหญ้าเรียกว่าผาไปเนี่หมดแรงเลย แต่จะเจาแะแวกลุยเล็กลอดไปมันก็ไม่ไหวบางทีบางทีเจออย่างนั้นบางทีจะเจอป่าดงดิบเนี่ยใช่อไหมว่ากลางวันเหมือนกลางคืนเลยมืดยิ่งแดดไม่ส่องนะมีเมฆบางนี่มืดตึื้อเลยเป็นป่าไผ่ที่มันเป็นแพร่ข้างบนเนี่ยนะมองไม่ทะลุเลยแล้วก็เดินไปเดินไปก็คิดว่าไอ้ที่เดินไปนะมันน่าจุดที่เราเดินที่สุดคิดว่ามันมันจะเดินทางลัดที่สุดนะก็คือเดินสันเขา เดินขึ้นไปถึงสันเขาจะเดินตามสันเขาเรื่อยๆไปเลยไ ป, ล, ยไปลงจุดไหนมันจะรัดรัดกว่าที่จะเดินข้างล่างวาเดินข้างล่างเดี๋ยวเจอเจอแองเจอเหวเจออะไรเนี่ยสันเขามันจะเดินง่ายกว่าแล้วก็ไปเดินไปเดินไปเจอหน้าผาจเจอหน้าผาจะย้อนกลับคืนเหรอโอ้ถ้าย้อนกลับคืนไปทางลงเนี่ยเดินมาวันครึ่งถ้าจะไปลงทางอื่นมันมีแต่คืด ผู้เขาอะนะที่มันเป็นสันเขาไปแล้วมันปีนหน้าผา ย, ยาวๆตลอดสันเขาเนี่ยนะไม่มีทางลงเลยหลังเขาเลยก็เดินย้อนคืนตัดสินใจเดินย้อนคืนเพราะไปทั้งไหนไม่เจอแต่หน้าผานะั้นใช่ไหมเดินย้อนคืนมาประมาณสามชั่วโมงยังเจอหน้าผาอยู่สุดท้ายเนี่ยเดินจนไม่รู้จะเดินไปไหนแล้วมีหน้าผารอมหมดเลย เราก็มานั่งมองแล้วเราขึ้นมาเมื่อไหร่ขึ้นมาได้ทำยังไงอ่ะเนคือเดินไปที่ไหนมันมีแต่หน้าผาทั้งนั้นเลยแล้วลงทางที่มาไม่รู้ทางไหนแล้วเดินวนหลายครั้งไม่รู้มาทางไหนตัดสินใจไปเห็นหน้าผาที่มันมีน้ำตก <c oughs> มีทางเดียวเลย <c oughs> ทางเดียวทางเลือกเดียวตัดสินใจว่าขอตัดสินใจลงตามน้ำตกนี่แล้วกัน <c oughs> เพราะว่าอาศัยว่าถ้าสายสายน้าไปทางไหนมันจะต้องมีบ้านคนที่นั่น ก็ใช้เชือกขึงห้อยกรดเนี่ยนะมันจะมีเชือกร่มเชือกร่มแบนๆเส้นขนาดนิ้วมือเนี่ยเที่เอไปด้วยเนี่ยก็เคยฝึ ก, ล, กลูกเสือชาวบ้านมาบ้างเคยฝึกทศปชอะไรวะพ่อทหารออกป่าก็เคยฝึกมาเยอะพอสมควรก็ใช้ใช้วิธีนี่แหละใช้ผูกเงื่อนกระตุกเนี่ยนะแล้วก็โรยตัวลงไปทิ้งตอนแรกทิ้งบริขาลงไปก่อนผูกๆๆยอมลงไปเชือกไม่ถึงเชือกเที่ยวไปเนี่ยไม่ถึง ที่เหลือก็สบงผืนหนึ่งสายประคตคือต่อกันสายประคตหนึ่งอันสบงหนึ่งผืนต่อโยงไปอีกอะ่ะเสร็จแล้วก็เอาบริขาลงได้หมดแล้วก็โรยตัวลงมาแล้วก็กระตุกเชือกกระตุกไม่ออกต้องขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่ไปดูมันทําไมกระตุกไม่ออกขึ้นไปดูดูลผูกใหม่ ผูกแล้วลองกระตุกดูอ้าวหลุดนี่พอลงไปไอ้น้ำหนักที่เราถ่วงมันเนี่ยมันมันมันแน่นเกินไปทําไอเราผูกดูแล้วกระตุกมันหลุดเลยเพราะมันยังไม่แน่นที่ต่อโรยตัวลงไปดึงมันรัดแน่นแล้วกระตุกมันก็ไม่ออกพอผูกใหม่เสร็จแล้วก็เสี่ยงนะก็เอาไว้หมิ่นนิดเดียวเองอ่ะเงื่อนเนี่ยเงื่อนที่กล่าว่ามันจะกระตุกหลุดเนี่ยถ้ามันหลุดก็คือมันหลุดล่วงลงไปแล้วไงเอาไว้นิดหนึ่ง แปลว่าพยายามถ่วงน้ําหนักโดยใช้กิ่งไม้แห้งหักดูนะกิ่งไม้แห้งที่มันเปราะเนี่ยนะเนบเอาไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็ล็อกให้มันอยู่แค่นั้นเองเลยล็อกกิ่งไม้แห้งไว้นิดนหนึ่งลแล้วก็กระตุกกระตุกเอะไรน้ําหนักเราลงไปมันจะหนักเท่าไหร่เราก็ลองกระตุกดูตามน้ําหนักแล้วนะ่ะไม่หลุดใช้ได้โลยลงไปไปถึงแล้วก็กระตุกไม่ออกเหมือนเดิม <c oughs> จะขึ้นไปอีกทีมันขึ้นไม่ไหวแล้ว <c oughs> มันไม่ใช่ตาํตาๆนะเชือก เชือทั้งเส้นแล้วก็ทั้งสายปรคคลทั้งสบงนะทำยังไงเนี่ยจะทำไงจะเอาเชือกออกได้ตัดสินใจเอาเอายังไงก็เอาเชื่อไหมเอาเชือกแบบผูกใส่ก้อนหินก้อนหนึ่งนะโยนลงเลยจากหน้าผาเหวี่ยงออกไปนู้นอ่ะหลุดห <laughs> ลุดแล้ววิ่งไปตามว่าเชื อ, อกอีกทั้งไกลเพราะมันหลุดแล้วมันก็กลิ้งลงไปนู่น <c oughs> <c oughs> พอได้เชือกแล้วตัดสินใจมาลงมาตามน้าตกทีนี้น้ำตกเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ว่าจะลงง่ายนะอทั้งหกล้มของลูกศอกแตกสารพัดเลยบางทีมันก็มีเกาะพอเกาะได้บางทีมันก็มีแต่ไข้น้ำมันมันลื่นพอโรยตัวปีนป่ายลงมาใช้เชือกผูกในสามครั้งเชือกผูกสามครั้งลงมาตั้งแต่แตัดสินใจลงมาตั้งแต่ก่อนรุ่งสางนะลงพอพ้นจากหน้าผาตรงนั้นเนี่ย คิดว่ามันน่าจะเที่ยงแล้วดูตะวันดูด้วยตาเนี่ยนะมันน่าจะเที่ยงพอเรามันอยู่ทางลาดเอียงเนี่ยนะเห็นตะวันมันขึ้นหน่อยมันก็เหมือนกับเที่ยงแล้วอ่ะพอเราเดินลงเขามาตลอดเดินลงมาพ้นที่ชันชันมากแล้วมาเจอโยมคนหนึ่งอะโยมเขาไปตัดไม้ห่อข้าวเหนียวกับปลาล่าบองผูกผ้าขมาแบกมีดไปหนึ่งอัน ไปเจอได้ยินเสียงเดินเสียงนี้ฟังฟังดูนี่เสียงคนไม่ใช่เสียงสัตว์ถ้าเสียงสัตว์กับเสียงคนมันจะไม่เหมือนกันนี่เสียงสัตว์ไอ้นี่เสียงคนเดินก็เลยเดินไปดักหน้าที่เขาเดินไปดักหน้าเนี่ยเพื่อจะถามทางนั่นเองนะเพราะคนเดินมาถึงนี่แสดงว่าเขาต้องรู้ทางลงเดินไปก็เจอยมคนหนึ่งเดินเดินขึ้นมาพ็เห็นพระเอ้าท่านมาเดินทาไมอยู่แถวนี้ก็เลยไม่บอกว่ามาเดินทาไม จะบอกว่าก็ก็ยังไม่ถามก็ไม่บอกเขาบอถามมาเดินทำไมเอย่างนี้ก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะก็เลยถามว่าโยมโยมมาจากหมู่บ้านไหนไกลไหมจากจากที่โยมอยู่เนี่ยไปถึงหมู่บ้านไกลไหมเขาบอกว่ามันก็ไกลเหมือนกันนะเพราะผมออกมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงเช้า <laughs> มันก็ไกลเหมือนกันพรอออกมาตั้งแต่เจ็ดมงเนี่ยมาถึงเนี่ย เขาบอกว่าผมมาถึงนี่มันก็เพนแล้วเขาบอกนะเขาดีนะพอเขาพูดเสร็จเขาคึกเขานึกขึ้นมาได้นะเขาฉุกคิดมาได้เอแล้วท่านฉันอะไรหรือยังท่านฉันเพนหรือยงังบอกว่ายังไม่ได้ฉัน <sk r isa> ยังไม่ได้ฉันเขาก็คุยอยู่พักหนึ่งนะคุยอยู่พักหนึงเราก็ไม่ได้สังเกตเหรอว่าเขาจะมีอาหารอะไรไปคุยไปคุยมาคุยมายไปเขาก็ถามว่าแล้วท่านมาจากไหนตสมาก็เลยชี้ไปเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยหน้าผาเนี่ย เขาบอกอู้หน้าผาแดงนี่เลยครับเขาบอกว่าใช่ไม่รู้หน้าผามันชื่ออะไรเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงที่มีน้ําตกเออถ้ามีน้ําตกผมเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้นไปเลยเขาบอกว่าผมยังไม่รู้เลยว่ามีใครขึ้นไปหน้าผาเนี่ยแล้วท่านไปขึ้นพระไม่ไปขึ้นทำไมอยู่นั่นมีสํานักอยู่คุยไปขึ้นมาขอหวยโยมา <c oughs> พยมขอหวยเหนื่อยมาแทบสายใจขาดยิ้มออกเรอยิ้มออกเลยโอ้โยมขอหวย <laughs> จะทำยังไงดีที่นี่ <laughs> ถ้าเป็นขออยู่ข้างล่างก็โดนด่าไปแล้วอนะขออยู่เราก็ โ, โลย เ, เต็มที่แล้วขอหวยก็เลยชวนเขาคุยอย่างอื่นถามนัานถาม น, นี่ก็เลยเล่าให้เขาฟังบอกว่าอัตมาอยู่บนเนี่ยสามวัน เนี่ยเพิ่งจะลงมาได้เนะี่ะตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขึ้นไปด้วยวิธีไหนก็เดินขึ้นไปธรรมดาเนี่ยแต่ลงมันต้องปีนป่ายลงมานั่นแหละก็เลยถามว่าท่านฉันอะไรหรือยังบอกว่ายัางเขาก็เลยงั้นผมมีข้าวถวายเขาก็เลยผูกผ้าขามา้าแกะผ้าขาม้าออกเปิดมาเข้าหอไปตองกล้วยก็ไม่ใหญ่มากหรอกนะแล้วก็เขาเปิดออกมาได้กลิ่นปลาชุยออกมาเลย <c oughs> หิวจับใจเลย ใส่บาทรเขาใส่บาทรเขาจะถวายเลยวะนะตามาเลยบอกใส่บาทแล้วท่านก็ใส่บาทใส่บาทเสร็จแล้วเขาก็ตามานั่งฉันอยู่เขาไปตัดเอาก็บอกไม้ไผ่ไปตัดน้ํามาที่ลําธารที่ตามาลุยมาเมื่อกี้นี่แหละตัดน้ํามาถวายตามาก็เลยบอกว่ามีแล้วเอามาแล้วก็ติหนึ่งแล้วก็เขาก็พยายามนั่งคุยอยู่ด้วยนะตามาก็ฉันเลยเขนั่งคุยเขาสังเกตเห็นนะคงไม่อิ่มนะหิว <laughs> มาสามวันในคงไม่อิ่ง ต่อมาก็พยานะพยามนะพยายามพยายามค่อยๆฉันเพราะว่าหิวจัดๆถ้าฉันเร็วเนี่ยมันมันจะจุกก็ค่อยๆเคี้ยวพิจนาเหมือนที่เราฉันปกติทุกวันเน่ยไม่ค่อยระงับความหิวจัดไค่อยฉันไปฉันไปพอลงมาถึงหมู่บ้านเนี่ยนะพอฉันเสร็จโยมเขาลงมาส่งพอมาถึงทางมันมีทางเดินเท้าลงลๆหน่อยก็เดินมาพอได้ยินเสียงหมาเห่าแล้วอ่ะพอและถึงหมู่บ้านแล้วยมไปทํางานของโยม โยมเขาบอกว่าผมคงไปไม่ได้แล้วครับเพราะถวายข้าวท่านแล้วเขาก็เลยเลี้ยวไปทางไร่เขาบอกจะไปไร่เขาอีกอีกที่หนึ่งคนละทางกันเขาก็เลยบอกว่าท่านเดินไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปไร่ก็เลยแยกกันตรงนั้นเดินลงมาถึงหมู่บ้านประมาณสี่โมงเย็นได้พอถึงสี่โมงเย็นก็เลยมาพักหน้าผาแดงไปเหอะใครไปเจอหน้าผาแดงใ่ครับ เขตจังหวัดเลยครับมันมันเขตติดต่อจังหวัดเลยกับหล่มสักจะไปไหนแล้วทำไมเดินถามจะไปไหนเหรอมีจุดประสงค์บองกันคืออาจารย์องค์หนึ่งตอนนั้นแตมางหนึ่งพรรษานะอาจารย์ตรงนั้นหกพรนศาท่านชวนว่าไปเดินทุดงกันไหมก็หลังจากอบรมทําที่วัดไผ่ล้อม ที่จังหวัดตราดนั้นเขาก็ชวนกันได้สิบสองรูปไปเดินไปเดินทุดงไหมเราเราไม่เคยเดินทุดงเลยได้ยินแต่ว่าพระองค์นั้นไปเดินทุดงพระองค์นี้ไปเดินทุดงเพราะว่าถามว่าจะไปเดินทุดงไหมไปครับก็เลยบอกจะเดินไปไหนอ่ะอาจารย์เขาบอกว่าเดี๋ยววันเลิกทุดงไ อ, อ้วันเลิกอบรมแล้วค่อยคุยกันใหม่เลิกอบรมเสร็จแล้วเราคุยกันก่อนพอเลิอกอบรมเสร็จเขาบอกว่าเอาอย่างงี้แล้วกันผมก็ยังไม่เคยไปนะอาจารย์เขาบอกนะ ผมก็ยังไม่เคยไปนะสามเหลี่ยมทองคําเขาบอกไปสามเหลี่ยมทองคำอาจารย์อย่จังหวัดไหนสามเหลี่ยมทองคําเนี่ยสมัยนั้นเรายังไม่เคยได้ยินชื่อเลยซ้ําไปเขาก็บอกว่าได้ยินว่าอยู่ภาคเหนือนะไม่รู้แต่อยู่จังหวัดไหนถามใครก็ไม่รู้จักสามเหลี่ยมทองคำเอางั้นไปก็ไปเดินเดินตามเป็นขบวนนี่แหละเดินตามไปเป็นแถวออกจากจังหวัดตราด เข้าจังหวัดจันจังหวัดจันลัดมาสะแก้วพอก่อนจะถึงสะแก้วเนี่ยนะมันสี่วันห้าวันแล้วอาจารย์เขาก็เลยบอกว่า ม, มาเดินตามกันนี่รู้สึกว่ามันเป็นภาระให้กันนะเพราะว่าตอนนั้นมีหลวงพ่อองค์หนึ่งเดินเอาจีวรไปสามไตรเอาสบู่ไปสามก้อนยาซีฟันสามหลอดผ้าอาบน้ำสามผืนคือเอาไปเผื่อไมหมดก็เหมือนว่าเดินทวดงันลาบากต้องเอาไปเผื่อเยอะๆอะไรยงเี้ย พอไปเดินสองวันบอกว่าท่านช่วยผมถือหน่อยของเราก็แย่อยู่แล้วให้ช่วยถือจีวรอีกใยหนึ่งอีกเราก็เห็นสงเห็นว่าเป็นพระอายุมากแล้วเอ า, เอาช่วยตรเดียวนะครับของผมก็หนักนั่นแหละถือไปถึงมาอาจารย์ท่านก็เลยโอ้ยไม่ไหวมาเที่ยวถือของให้กันอยู่นี้มันไปไม่ถึงไหนอ่ะท่านก็เลยบอกว่าแยกกันต่างคนต่างไปใครไม่อยากไปกลับใครไปไม่ไหวกลับไม่ต้องไปเจอกัน สามเหลี่ยมทองคำท่านะก็เลยมาแยกกันแยกกันอยู่ยเขตปราจีนสมัยนะั้นยังไม่มีจังหวัดสระแก้วมาแยกกันแล้วก็แยกทางกันแยกกันพอแยกกันสองวันนะ่ะถูกยิงนะ่ะ mm hmm. เดินผ่านจังหวัดสระแก้วใกล้ๆชายแดนเขมร <laughs> ถูกยิง <laughs> ก็มีเป้าหมายเหมือนกันว่าสามเหลี่ยมทองคำไม่รู้จะถึงหรือไม่ถึงมันอยู่ตรงไหนครับไม่รู้ได้ยินแต่ว่าภาคเหนือมุ่งหน้าไปทางเหนือเลยแต่ช่วงที่เห็นสัตว์ ช่วงที่เห็นสัตว์ร้ายก็เนี่ยช่วงเขาใหญ่เนี่ยมีสัตว์ร้ายเห็นสัตว์ใหญ่ๆนะเป็นตนงูไม่รู้งูอะไรเราก็ไม่เคยเห็นตัวใหญ่มากเลยตัวขนาดขาเนี่ยจะว่างูเหลือมเนยเราก็เห็นงูเหลือมเป็นประจําัำๆแต่มันไม่ใช่งูเหลือมไม่รู้งูอะไรตัวใหญ่เห็นพวกสัตว์ร้ายจะพวกเสือพวกอะไรก็เห็นแต่ว่ามันคือปกติสัตว์มัน ถ้าเราเห็นสัตว์แล้วมันเดินเนี่ยนะเราเดินไปกับมันได้เลยถ้าเห็นสัตว์แล้วมันเห็นเราแล้วมันนิ่งนะมันไม่ยอมเดินไม่ยอมไปนะอย่าไปเดินเข้าไปหามันแสดงว่าบริเวณนั้นมันมันมีแหล่งที่มันซ่อนอาหารเอาไว้ถ้ามันเดินเราไปเหอะเดินมันไปไหนเราก็ไปตามคนต่างไปไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรกับเราหรอกถ้าเปนแหล่งที่มันซ่อนอาหารแล้วมันห่วงห่วงเขาเรียกว่าห่วงถิ่น ผ่านไม่ได้มันมันเหลืองเหมือนกันคงไม่กล้าตั้งแต่ตลาดไปถึงสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยไม่ไม่ได้เดินไม่ได้นั่งรถเลยเดินอย่างเดียวยมอมเราคิดดูขนาดแปลงสีฟันทำไมยังหักด้ามทิ้งอะเอาแต่ขนแปรงมันไปอะจับแค่เนี้มันหนักมากรองเท้าทิ้งสบู่ทิ้งไม่เอาเลยไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไมีถูสบู่เลยช่วงเดินทางเนี่ยใช้ผ้าผ้าเช็ดตัวผืนเล็กอะผ้าเช็ดหน้าเนี่ย ใส่น้ํามันก็เช็ดถูขัดขี้ใครไม่ได้ใช้สบู่แล้วใช้แล้วมันเป็นภาละหนักตอนแรกยังยังพบเกลือนะบางทีนะเอาใส่เอาเกลือใส่หลอดอย่างเนีน้บางทีไปฉันอาหารต่างถิน่นบินทบาทไม่พอฉันมากอะไรบ้างก็ได้แต่ข้าวบางวันเน่ยก็เอาเกลือเกลือที่ติดมาเนี่ยครุกไปถึงระหว่างทางทิ้งไม่เอามันหนัก หนักบางทีเนี่ยรู้สึกว่าขาเนี่ยมันเหมือนเอาเหล็กมาถ่วงเอาไว้ยังงั้นนะจนเดือนหนึ่งถึงรู้สึกว่าเดินเนี่ยเบาคล่องเพราะตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักลดไปสิบกิโลนะเดินปลิวว่งเลยเลยเบาสบายเลยบางทีนะตัวนี่มันไปก่อนใจแล้วนะเดินขาปลิวไปเลยนนน่นนุ่นมันเบาอ่ะมันลอยเหมือนลอยไปเลยถึง ป่ะมาถึงเป็นองค์ที่สามถึงอง่งถงถงาถึงองค์ที่สามทั้งหมดถึงห้าถึงห้าประมาณถึงองค์ที่สามเพราะว่าอาจารย์เขากำหนดไว้ว่าคนถึงคนแรกเนี่ยจะรออยู่สิบห้าวันหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับทีนี้ขากลับเนี่ยขึ้นรถกลับ <laughs> แต่ว่าไม่ได้กลับมาเลยทีเดียวก็นั่งรถจากเดินจากสามเดียวคําคำมาที่อาเภอเชียงแสน เดินมาถึงตวงัวอำเภอเขจะมีรถไปเชียงใหม่แต่ว่าไม่ไปเชียงใหม่ไปแม่ไปแม่สายก็พอดีเป็นขึ้นไปไปนอนแม่สายพอดีมันจะใกล้สงกรานะใกล้สงกรานก็พอดีเป็นวันเดียวกับพลเอกสันปฏิวัติพอดีไปอยู่ที่แม่สายนั่นพอดีพอไปที่วัดแล้วได้ยินเสียงไมช่ชี้เปิดวิทยุปฏิวัติปฏิวัติอะไรลูกอะไรไปถามดู <c oughs> รู้สึกจะปีสองสาม สสาสันอะไรก็ไม่รู้ปฏิวัติปีนั้นสันจิตปฏิมาใช่มาดูต่อไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยคำว่าอธิเกสุก็แปลว่าในบรรดาคนเดินทางไกลทาวันโตคนที่กำลังวิ่งไปเนี่ยนะสีคัธโมเป็นคนเร็วที่สุดเป็นคนเร็วกว่าก็บรรดาคนที่เดินหรคนวิ่งก็ต้องเร็วกว่าคนเดินอยู่แล้ว คนวิ่ก็ถึงเร็กว่าข้อสอายะสมาอานันโทอนรหันเตสุอันะตังโรอโหสิอายะสมาเป็นปฐมาวิพัตเป็นตัวขยายอานันโทอานันโทเป็นชื่อของพระอนนท์อรหันเตสุแปลว่าในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอัญตังโร อยู่หน้ากริยาว่ามีว่าเป็นอโหสิเนี่ยแปลว่าได้มีแล้วได้เป็นแล้วดังนั้นอัญะตังโรเนี่ยช่องต้องแปลว่าเป็นเข้าไปด้วยเป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งหรือจะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งอโหสิได้เป็นแล้ ว, ลวเวลาแปลก็แปลว่าอย่างนี้อรหัน์เตสุในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย อายัสมาอานันโทรพระอานนทผู้มีอายุอัญญตังโรอโหสิเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งหรือแปลว่าพระอานนทผู้มีอายุได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอโหสิแปลว่าได้เป็นได้เป็นแล้วเป็นอาชาตณีวิพัฒก็คือ มีโยมคนหนึ่งเข้าไปพบพระอนนท์เข้าเห็นพระอนนท์เนี่ยมีผิวพรรณผุดผ่องหน้าตาเอิบอิ่มปฏิปทาเยือกเย็นหน้าเลื่อมใสเขาก็เลยบอกว่าพระอนนท์เนี่ยน่าจะเป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งในเวลานั้นพระอนนท์น่าจะเป็นพระอาหารหันต์องค์ใดองค์หนึ่งในบรนนน ร, าาร ด, ดาพระอาหารหันต์ทั้งหมดพระอนนท์บรรลุพระอรหันต์หลังจากพุทธปรินิพาน ก็คือก่อนวันทำปฐมสังคายนาหลังจากพระพุทธเจ้าประิทธิพานสามเดือนลองแปลดูสิข้อหนึ่งมนุษย์เสสุคาพิโยสูนระตาโมในบรรดามนุษย์ทั้งหลายกษัตริย์เป็นผู้กล้าหาญที่สุด าาอืมอื ม, อ ม, อมกแปลว่าได้เป็นนั่นแหละไม่ต้องแปลว่าได้เป็นแล้วอีกได้เป็นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วอย่างนี้ก็ได้อญยตรโอโหสิอาญัสมามาจากอะไรเคยเขียนในครั้งหนึ่งเลยอาญัสมาวิพัตน์อะไรอาญาสมามันจะมีเหรออืไม่ใช่สมาวิพัตน์ อันนี้ไม่ใช่สมาวิภัต อ, อานอนท์ผู้มีอายุแสดงว่าขยายอานันโทอานันโทเป็นปฐมมานี่ต้องเป็นสิปฐมมาวิภัติล้วทำไมเป็นอาได้อะอาสมามาจากอายุมันตุแล้วก็สีวิภัตอาเทศสละอุที่ยุเป็นอัดก็คือเป็นสละอะกับสอเสือจุดนั่นแนหะเป็นอัดอุเป็นอัด เพราะมันตุปัจอูเป็นอัดในขจ า, ายณะสูตรก็มีอายุสุกังกราสะมันตุมหิอายุสูกุขังราสะมันตุมหิสูตรนั้นแหละ <laughs> ให้เอาอูเป็นอัดก็สูตรนั้นเพราะอูเป็นอัดไปแล้วเนี่ยอายุมันตุก็เปลี่ยนไปเป็นอายัสมันตุแล้วก็ให้อาเทศณตุกับสีเป็นอาก็เหลืออายัสมะบวกอา ตอนนี้อายัสมะบวกอาแล้วก็ลบสละนหน้าจึงมีรูปเป็นอายัสมาหรืออ่านว่าอายัสมาตามแบบไทยๆก็ได้อายัสมาอานันโทรพระอานนผู้มีอายุสะกดควบกร่ำอายัสมาสงสัยถามมีสงสัยไหมไม่สงสัยจะต่อนะ